ข้าเสียใจต่อเหตุการณ์อันน่าเศร้านี้แต่มันเป็นความจำเป็นขอให้ทั้งสองเดินตามทางของเองต่อไปส่วนข้ากับปิงขีระก็จะขอเดินตามทางของข้าขอให้เราแยกทางกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ได้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮยอรกันฮะ ขอค่าทำไมอ้าวนันปารากาก็ออดาเี่ขอปิชีระทาอย่างนี้ทําไมเอาเออกไปหัวหน้าเราจะแยกทางกันไม่ได้สีหะเราจะไม่มีวันแยกทางกันเป็นอันขาดถ้าแยกทางกันก็หมายความว่าไม่ฆ่าหรือหัวหน้าจะต้องตายอย่าเล่นบ้าๆแบบนี้หน่อยเลยนะสีหะหนฐานะหัวหน้าข้าสั่งให้เอ็เก็บดาบเข้าฝักเดี๋ยวนี้ <laughs> เสถ่าเอ้ยเวลานี้แกไม่ได้เป็นหัวหน้าของข้าอีกต่อไปแล้วคําสั่งของแกย่อมไม่มีความหมายสำหรับข้าข้านี่แหละคือหัวหน้าของแกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแกจะต้องฟังคําสั่งจากข้าเฮียฮะหยุดนะฟังคําข้าคนเดียวบอกมาแกจะตัดสินใจเดินทางถูกหรือจะอยู่ในทางผิดต่อไปถ้าแกยังขืนเดินตามทางถูกเราก็เป็นศัตรูกัน ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นลวยละ่ะสียหัโอ้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้นะ่ะก็เพราะเพื่อแกไปเป็นคนดีแล้วแกก็จะไปมอบตัวแกราชบุรุษแล้วก็ทําความดีความชอบโดยการพาราชบุรุษมาจับพวกฆ่าเพื่อว่าแกได้รับพระราทานอาพยโทษเอ็งจะเอายังไงว่ามาเลยข้าไม่ต้องการอะไรมากอยากแค่แกเดินทางผิดต่อไปแล้วข้าจะไว้ชีวิตแก และเมื่อแกให้สัต์จักปะิยานแบบโจรแกข้าวอ่ะแกจะไม่ถือโทษโกรธเคืองข้าแล้วข้าก็จะยอมเป็นลูกน้องของแกต่อไปว่าไงบอกโกงใจแล้วนะถ้าข้าไม่ยอมแกตายเลือกเอาจะเอาทางไหนวุ้ยสิฮะฟังสิเรเสียอะไรบอขเวียน เสียงเกวียนแน่เลยกเป็นเสียงเกวียนขวบหายความว่ามีผู้นำสินค้าผ่ามาทางนี้เลยใชแล้วเกวียนสินค้ากำลังจะผ่านมาอืมไม่อดตายแล้วยังใช้อยู่ทําไมล่ะไปปล้นสินค้ากันเลยไปดิไปแล้กันไปีชีรล่เร็วเราไปกันเลยเร็วหัวหน้ากับลูกน้องซึ่งเลือกทางเดินที่ถูก พากันขว้าดาบวิ่งตามไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกลัวอยู่อย่างเดียวว่าเศรษฐะและปิงคีระซึ่งหิวโหวยจะเปลี่ยในใจไปเข้าข้างสีหะและปาลกะช่วยกันล้นพ่อค้ากวยอย่างที่เคยทำเอาละต้องตามไปดูให้รู้แน่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แม่แล้วโจรสี่คนคงจะเข้าปล้นพวกพ่อค้าต่อสู้ป้องกันไม่น้าเลยหัวหน้าโจรกับลูกน้องคนหนึ่งกลับตัวกลับใจได้แล้วกลับต้องมาเปลี่ยนใจเป็นโจรอีกเพราะความหิวและความไม่ลงรอยกันกับลูกน้องที่ไม่ยอมเปลี่ยนใจวันนี้จะช่วยแก้ไขได้วยวิธีใดดีเอ๊ะน่นาไม่ใช่โจรกับพ่อค้านี่แต่ว่าโจรกับโจรสู้กันเอง หน้าต่อสู้กับสีหะปาลากะกับสิงหินัทั้งสองผู่ต่อสู้กันได้เพลงดาบสุดปีหมื่นเสียงดาบกระทบกันดังสนั่นปากเป็นประกายวูบว่าไปขาดระยะ พวกพ่อค้าเปนคงจะประหลาดใจไม่ทอนยืนมองกันอยู่เอ๊ะแปลกอยู่ที่นี้ก็มาสู้กันให้ดูไม่รู้เรื่องอะไรขึ้นมาไอ้พวกไหนกันล่ะเนี่ยจะพวกไรสิพวกเราท้าวก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโจรโจรโจรทำไมไม่ต้นมาสู้กันทําไมล่ะน่ะมันต้องขัดอะไรกันทุกอย่างลู้ใครอย่างนั้นไว้ใจไม่ได้แล้วนะถ้ามันเกิดเข้าใจกันได้มันต้องต้นแน่แน่ บอกกลุ่ทุกคนนะให้เตรียมพร้อมมาไว้น ะ, อะบอกพวกเราอยู่แล้วเขื่นปลดมันตายแน่นะแทนนี้ไ<น>ม่คลันมือมือพวกเราหรอกเนอะเฮยใครมาไดได้นะถึงพวกมันจะมีน้อยแต่ก็มีฝีมือ<น>ของเรามากคนเปล่าแต่คนที่มีฝีมือหาได้อะทางที่ดีให้มันตายไปต้องสองฝ่ายนั่นแหละดีที่สุดแล้ว การต่อสู้ระหว่างเศรฐะกับสีหะน่าดูมากครูนี้เป็นการตัดสินว่าใครจะเป็นดัวหน้าแต่เท่าที่สังเกตในฐานะที่เคยเป็นโจรใช้ดาบอย่างช่ําชอมพอจะมองเห็นว่าเศรฐะมีฝีมือเพลงดาบเหนือกว่าสีหะมากใหม่แต่ดูเหมือนว่าเศรฐะจะไม่ตั้งใจสู้จริงเพียงแต่ป้องปัดป้องกันตัวเท่านั้นตรงกันข้ามกับสีหะ ต่อสู้อย่างสุดกำลังและฝีมือไม่มีการออมไม้ออมมือแต่อย่างใดทนสิสน <c oughs> ก็เพราะเร่งต่อสู้อย่างดุเดือด <c oughs> ทาให้เขาอ่อน <c oughs> กำลังลงอย่างเห็นได้ชัด <c oughs> ตรงข้ากับเสดสัทธต่อสู้อย่างใจเย็น <c oughs> หลายครั้งที่เสดสัทธมีช่องทางที่จ ะ, ะเผด็จสุดได้ <c oughs> แต่เขาก็ปล่อยให้โอกาสผ่านไปโดยไม่ทำอะไร <c oughs> เสดสัทธคิดสิแล้วคิดบ้าหรือไม่นั้น บาธทีการเลี้ยงศัตรูก็นำความหายนะมาสู่ตัวเองสีหะเปิดช่องให้แล้วเศรษาถแทงเบาเลวเกินสีหะเอาดาบปัดดาบหลุดจากมือเศรษฐาถกรเด็นไกลสีหะย่างสามปุมเข้าหาเอานี้แหละแกตายแน่เสรษฐาแกจงตายในทางถูกต่อห้องแก่เถอะเศรษาถอยหลังนี้โอ้สะดุดสะดุดต่อไม้ลมไหนหลังแล้ว พุ่งดาหมายแ่งยอดคมเสรษฐาคลิ้งตัวหลบอย่างเร็วปลายดาบพุ่งเสียบ พ, พื้นติดแน่ดึงเท่าไหร่ก็ไม่หลุดเศรษฐรลุกขึ้นอย่างรวดเร็วตรงเข้าล็อกคอศีหาไว้ไปเลยไปเลย ไ, <ป S 2> ไ<ป>ีนไมหมเศรษฐข้าหายใจไม่ออกเศรษฐารานี้ถึงทีข้าจะออกคําสั่งกับแก บ, บ้างลนะจะออกคําสั่งให้กระทาอะไรบอกเลยนะข้าข้าข้าหายใจไม่ไปออกอยู่แล้วแกจงให้สัญญาแบบโจรกับข้าว่ะ แกจะไปตามทางของแกปล่อยให้ข้าไปตามทางของข้าอย่างสงบทุขสัญญาสิข้าให้สัญญาอาข้าปล่อยแล้วอา้อาวไงแน่นิ่งหมดสติไปเลยไปละกันสีหายอมแพ้และเจ้ายังจะสู้อยู่อีกเหรอข้ายอมแพ้ช่วยแก้ไขสีห้ด้วยนะนี่มันเรื่องอะไรกันนะ ข้าพเจ้างงไปหมดแล้วท่านรมณะช่วยอธิบายด้วยเถอะก่อนที่จะเล่าความเป็นมาของเรื่องนี้ท่านปกครางเอาอาหารมาเลี้ยงดูคนทั้งสี่นี้ก่อนเถอะคนทั้งสี่นี้กําลังหิวโหวยมากทีเดียวออได้สิเอา้าช่วย จ, จัดอาหารมาเลี้ยงท่านทั้งสี่นี้เอา มันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านพ่อขา้าเรื่องเป็นอย่างนี้เองเข้าพระเจ้าเข้าใจแล้วหัวหน้าข้าตัดสินใจแล้วตัดสินใจอะไรสีหะข้าจะกลับใจเดินตามทางที่ถูกจะขอเดินตามไปรับใช้ท่านทุกโหนทุกแห่งจนกว่าชีวิตจะหาไม่มดีละสีหะเราจะได้ร่วมเดินทางด้วยกันอีกท่านทั้งสี่จะไปทํามาหากินอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่แน อาชีพเป็นโจนเรเลิกเล็ดขัดบอกตรงๆได้ฟังเรื่องราวของพวกท่านแล้วเห็นใจนะสงสารมากทีเดียวละถ้าท่านสงสารด้วยใจจริงอาตมาก็ขอฝากคนทั้งสี่นี้ด้วยเพื่อเป็นก้าวแรกในการเดินทางที่ถูกต้องโดยจะให้ทุกคนโกนหนวดโกนเครานึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งข้าพระเจ้ายินดีที่จะรับคนทั้งสี่ไว้เป็นลูกมือช่วยในการค้าขายเป็นการฝึกงานใหม่ ท่านทั้งสี่จะเต็มใจไหมล่ะโอ้ข้าพเจ้าทั้งสี่เต็มใจยินดีที่จะรับใช้ท่านแล้วจะช่วยป้องกันอันตรายจากโจดดีแล้วถ้าเช่นนั้นก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันทนเดือนนี้เลยข้าพเจ้าขอลาท่านสมณะและจะขอจดจาพระคุณท่านไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ พักที่สาลานี้สักคืนเดินทางมาทั้งวันแล้วเห น, นื่อยเมื่อยล้าไปหมดหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่กลางทุ่งนากว้างมองดูในระยะไกลคล้ายกับเกาะตั้งอยู่กลางทะเลหาต้นไม้ไม่เจอเอาเลยท่านผู้เจริญอ่าใครกันละ่ะกําลังพักผ่อนสบายๆในรุ่ยชายกลางคนผู้นี้ขึ้นมาบนสาลาตั้งแต่ตอนไหน เห็นก the okay. no, ็เมื่อเขามายกมือไหวอยู่ตรงหน้าแลท่านผู้เจริญขอท่านได้โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยอุบาสกมีอะไรข้าพเจ้าและนางพราหมณ์กําลังตกอยู่ในห่วงมารฐาทุกข์ท่านกําลังมีความทุกข์อะไรเล่าให้อัตมาฟังสิอัตมายินดีที่จะช่วยเหลือคือว่าเออเล่าไปเถอะอัตมากําลังคอยฟังอยู่ ข้าพเจ้ามีบุตรอยู่คนหนึ่งกําลังอยู่ในวนัยหนุ่มอายุยางเขาสิบเก้าเขาเป็นที่รักของข้าพเจ้าและนางพระมณียิ่งกว่าดวงตาเพราะเขาเป็นทายาทสืบตระกูลของเราเพียงคนเดียวถ้าเขาเป็นอะไรไปตระกูลของเราคงสูญหายไปแน่ๆนี่แหละที่ทําให้ข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างยิ่งละเรื่องเป็นอย่างไรละ่ะ ท่านถึงได้เป็นทุกข์เมื่อปีกลายนี้บุตรชายข้าพเจ้าเกิดไปรักใครชอบพอกับนางคุมารีทิดาแห่งพราะมมหาศาลคนหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่บ้านนี้เองฐานะตระกูลของเขาเสมอกับข้าพเจ้านางคุมารีก็รักบุตรข้าพเจ้าเช่นเดียวกันและเท่าที่ข้าพเจ้าทราบมา ทางบิดามารดาของนางก็ไม่รังเกียจบุตรข้าพเจ้าแต่อย่างใดทุกสิ่งทุกอย่างมีทีท่าวาจะเรียบร้อยลงด้วยดีแล้วยังไงล่ะท่านถึงได้เป็นทุกข์เป็นร้อนมันมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นน่ะสิท่านผู้เจริญเหตุการณ์อะไรเหรอเมื่อตนฤดูเก็บเกี่ยวนี่เองบุตรชายของเศรษฐีเจ้าของนาหลายแหง่ง ได้ออกมาตรวจตราดูนาและเก็บคาเชานาแทนเศรษฐีผู้บิดาเขามาเป็นขบวนใหญ่สมเกียรติและได้พักอยู่ที่หมู่บ้านของเราเป็นเวลาสามราตรีบุตรเศรษฐีได้พบนางกุมารีความงามของนางทำให้ใชายหนุ่มเกิดความรักขึ้นมาทันทีแล้วต่อไปเถอะอุบาสก ชายหนุ่มได้เข้าพบบิดานางเจราจาตกลงกันเป็นการภายในเสนอให้ทรัพย์สมบัติเป็นอันมากรวมทั้งที่นาหลายแปลงเป็นค่าสินสอดเพราะความโลภในทรัพย์พระมหาสารตกลงยินยอมแต่โดยดีกำหนดจะทำการวิวาในไม่ช้านี้ท่านผู้เจริญเมื่อบุตรชายข้าพเจ้าทราบเรื่องนี้ เขาก็ตกลงสู่ห่วงมหันตะทุกทันทีบุตรชายของข้าเพเจ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างสลับกันคล้ายกับคนบาเขาพยายามแล้วพยายามอีกที่จะไปพบคนรักของครับ แค่ว่ามีอะไรเลย อ, อุบาสกลูกชายข้าพเจ้าไม่มีโอกาสทําไมถึงไม่มีโอกาสล่ะเพราะพร์มหาสารผู้บิดานะ่ะกักขังลูกสาวไว้ในบ้านไม่ยอมให้ออกไปไหนมีคนคุ้มครองรักษาอย่างแข็งแรงแล้วลูกชายท่านว่ายังไงตอนแรกลูกชายข้าพเจ้า เกิดความโกรธแค้นชิงชังบิดาคนรักอย่างรุนแรงทุกๆวันเขาจะนำดาบคู่มือออกมาลับลับแล้วก็ลับอีกจนอาจจะพูดได้ว่าถ้ามาแรงวันบินมากระทบดาบก็จะขาดออกเป็นซอกทันทีเดียวถึงขนาดนั้นใช่ไหมแล้วท่านละเห็นลูกชายเป็นอย่างนั้นแล้วท่านทำอะไรบ้าง เราสองคนผัวเมียนะ่ะได้พยายามปลอบโยนและชี้แจงใหเห็นโทษของการฆ่ามนุษย์แล้วเขาเชื่อไหมในที่สุดเขาก็เลิกล้มความคิดนั้นแต่มาบัดนี้ความโกรธแค้นขุนเคืองได้กลับกลายเป็นเป็นอะไรเป็นความโศกเศรายัางลึกซึ้ง ทุกวันนี้เขาไม่คิดทำอะไรนอกจากจะฆ่าตัวตายท่าเดียวขา้าพเจ้าจึงต้องตั้งกองอารักขาคอยดูแลเขาตลอดวันตลอดคืนไม่ให้มีสิ่งใดที่พอจะใช้ทำอันตรายตัวเองอยู่ใกล้เขาเป็นอันขาดนี่แหละท่านสมณะ ท่านจะมีมวิธีใ ด, ด, ดบ้างที่ ท, ที่จะช่วยปลดเปลื้องทุกบุตรชายข้าพเจ้าถ้ามีขอได้โปรดช่วยโดยเร็วด้วยเถอะอุบาสกก่อนที่อาตมาจะลงมือช่วยบุตรของท่านอาตมาอยากจะทราบอะไรบางอย่างสัก่อนท่านสมณพต้องการจะทราบอะไรเหรอเกี่ยวกับตัวบุตรชายของท่านเพื่อจะได้หาทางพิจารณาช่วยต่อไป ท่านสมณะอยากรู้อะไรถามมาเถอะบุตรชายของท่านเคยเรียนศิลปะวิทยามาจากอาจารย์สำนักไหนบ้างท่านสมณะเนื่องจากฐานะทางทรัพย์ของเราไม่ดีพอข้าพเจ้าจึงไม่ได้ส่งบุตรชายไปเรียนในสำนักอาจารย์ทิสาปามโมกแห่งเมืองตักกศิลาเช่นเดียวกับบุตรพราหมณ์มหาสารและกษัตริย์มหาสารอื่นๆ แต่ข้าพเจ้าก็ได้ส่งบุตรชายไปเรียนในสำนักอาจารย์ผู้มีชื่อแห่งนครราชครกเป็นเวลาหลายปีนี่ก็เพิ่งสำเร็จการศึกษากลับมาอยู่บ้านประมาณสองปีมานี่เองดีมากถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าบุตรชายของท่านถึงแม้จะอยู่ในวัยยาวแต่ก็ยังนับว่าเป็นู้ที่มีความรู้ธรรมดาคนที่มีความรู้มักจะมีความคิดด้วย เท่าที่อาตมาถามเรื่องนี้ก็เพราะว่าวิธีการช่วยเหลือของอาตมาเป็นการให้ความรู้และความคิดทําให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจในความจริงแล้วก็หายทุกข์การให้ความรู้และความคิดแก่ผู้ที่มีความรู้และความคิดเป็นทุนอยู่แล้วได้ผลดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเอาล่ะพระอาตมาไปบ้านของท่านเถอะอ๋อเชิญท่านสมณะ บานข้าพเจ้าแล้วเชิญท่านสมณะตามสบายอุตชายของท่านละ่ะอยู่ในห้องไม่ยอมออกไปไหนท่านช่วยไปพามาพบอาตมาหน่อยอาตมาอยากจะสนทนาด้วยข้าพเจ้าจะไปบอกเดี๋ยวนี้แต่ไม่ทราบว่าจะออกมาหรือไม่ไปบอกก่อนเถอะมาหรือไม่เอาไว้พูดกันทีหลังอ๋อข้าพเจ้าไปล่ะ มันผู้เจริญออออกมาแล้วเหรอหนราชบุตรชายของท่านบุตรชายข้าพระเจ้าไม่ยอมออกมาไม่รู้จะทำยังไงดีไม่เป็นไรอัตมา จ, จะลองเข้าไปพบเขาเองข้าพระเจ้าไปด้วย ใต้แสงประทีปสว่างพอประมาณชายหนุ่หน้าตาหม่นหมองด้วยความทุกข์ร่างกายผายผอมเห็นทีจะไม่ยอมกินอะไรมาเป็นเวลานานเขาเมืนยืดตรงหน้าแล้วยังก้มหน้าเหมือนไม่มีความรู้สึกเห็นทีจะต้องแผ่เมตตาจิตแก่เขาพลังเมตตาจิตอาจจะไปกระทบดวงจิตของเขา หลังเมตตาจิตไปกระทบโดนจิตเขาแล้วเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นท่านกุมารเอ๋ยเวลานี้เจ้าอยากตายก็จะหนีไปซะจากโลกอันเต็มไปด้วยความทุกนี้ใช่หรือไม่ใช่อาตมาเห็นใจท่านมาทำไมที่นี่มาเพื่อจะช่วยเจ้า ให้เจ้าเดชตายไปซะจากโลกนี้อท่านพุทธเจริญทำไมท่านพูดอยงนั้นอยู่เฉยๆเทา อ, อ, อ, อุบาสกครับนี่เป็นหน้าที่ของอาตมาเมื่อเขาอยากตายทำไมจะต้องคัดค้านละ่ะขอได้โปรดเถิดท่านสมณะโปรดช่วยข้าพเจ้าได้ตายไปจากโลกนี้โดยเร็วและอย่าสงบสุขด้วยข้าพเจ้าจะขอบพระคุณท่านอย่างสูง อาตมาจะทําให้เ hmm. จ้าตายในรเร็วนี้เจ้าเจ้าเจ้าท่านสมณะเจ้าท่านสมณะจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะข้าพเจ้าเชิญท่านมาช่วยบุตรข้าพเจ้าให้พ้นจากความตายไม่ใช่มาทําให้เขาตายท่านเป็นอะไรไปซะแล้วเนี่ยใจเย็นเย็นอุบาสใจเย็นเย็นเขาจะตายหรือไม่ตาย เราก็จะได้รู้กันได้ไม่ชาโปรดไว้วางใจอตาตมาเถิดท่านจะทําอะไรอท่านสมณะอุบาศกดูไปก็แล้วกันเออนี่กุมานถึงยังไงเจ้าก็จะได้ตายสมปรารถนาอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่เจ้าจะตายอตาตมาจะขอสนทนากับเจ้าสักครู่หนึ่งเจ้าจะยอมสนทนาด้วยหรือไม่ท่านสมณะเกิดเจ้าทานทุกข์ทรมารมานานเต็มทีแล้ว ถ้าท่าสงสารข้าพเจ้าอยากช่วยให้ข้าพเจ้าตายก็ขอได้โปรโดทําให้ข้าพเจ้าตาเสตินี้เถอะอย่าชักช้าอยู่เลยกูมาเลยเจ้าเสวยทุกมาหันมาหลายวันแล้วเจ้ยังทนได้ช่วยเวลาชั่วครู่หนึ่งที่จะสนทนากับอาตมานี่จะทนไม่ได้เชียวเลยอาตมาจะช่วยทําให้เจ้าตายเจ้าจะสละเวลาเพียงเล็กน้อยให้อาตมาเป็นการตอบแทนไม่ได้เชีย ตกลงท่านสมณนะเอาละท่านอยากพูดอะไรก็พูดมาข้าพเจ้าให้เวลาท่านเล็กน้อยเท่านั้นก่อนที่จะสนทนากับเจ้าอาตม า, า, าจะขอถามปัญหาสักข้อนหนึ่งก่อนเชิญท่านสมณะถามใจจะต้องตอบตามความเป็นจริงต้องตอบความจริงด้วยบางทีเจ้าอาจไม่อยากตอบเพราะไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะตอบแต่ก็ขอให้ตอบให้ได้ เพราะการถามปัญหาเป็นส่วนหนึ่งในการทาให้เจ้าตายตามวิธีการของอาตมาเอาละเอาะท่านจะถามแล้วก็ถามมาเลยไม่ไต้องชักเช้าแล้วเจ้าจะต้องตอบความจรงิงก็ได้ข้าพเจ้าจะตอบความจริงจะถามยังอ่ะพระสมนะอาตมาจะถามเดี๋ยวดีแล้ว ดูท่าทางเจ้าลำคาญมากข้าพเจ้าไม่ชอบการยืดเยื้อยิ่งอยากตายอย่างนี้ด้วยแล้วขอให้ได้ตายเอาเร็วเป็นการดีถามสิท่านสมณะท่านต้องการถามอะไรอาตมาอยากถามว่าการที่เจ้าอยากตายในคราวนี้ก็เพื่อจะหนีไปซะให้พ้นจากความทุกข์ใช่หรือไม่ใช่ความตายเป็นทางเดียวเท่านั้นเห็ดที่จะทําให้เจ้าหนีจากทุกข์ได้หรือไม่ทางอื่นๆอีก ก็พเจ้าไม่ทราบอ่ะบางทีอาจจะมีทางอื่นๆ อ, อีกก็ได้แต่กาพระเจ้าคิดว่าความตายเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดเป็นวิธีที่ได้ผลเกินคาดกาพเจ้าจึงเลือกเอาทางตายโปรดทําให้กาพระเจ้าตายเร็วเขเถอะทางธรรมณะอย่ามาซักไซไล่เลียงข้าพเจ้าเสียเวลายอยู่เลยดูก่อนกุมารขอให้เจ้าทําใจให้สบายไว้จงพยายามทําใจไว้ให้ข้าพเจ้าทําใจว่าทาไมอ่ะเพราะขณะนี้ เจ้ากำลังใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะแล้วท่านสมณะท่านสมณะข้าพเจ้าใกล้ความตายเข้าไปแล้วใช่ไหมถูกแล้วเจ้ากำลังใกล้ความตายเข้าไปทุกทีแล้วเมื่อไหร่ข้าพเจ้าจะตายอาตมาขอถามอีกสองสามปัญหาเท่านั้นเจ้าก็จะตายจริงเหรอท่านสมณะจริงสิ เจ้าจะได้ตายสมใจในไมชานี้แล้วช้าหรือเร็ ว, รวอยู่ที่การตอบปัญหาของเจ้าเมื่อกี้เจ้าพูดว่าความตายเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหนีความทุกข์อาจจะเป็นความจริงสําหรับตัวเจ้าเองแต่สําหรับคนอื่นละ่ะกูมานความตายของเจ้าเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือไม่ความตายของเจ้าอาจนําความสุขมาสู่เจ้าแต่มันจะนําความสุขมาให้บิดามารดาของเจ้าหรือไม่ มันจะนำความสุขมาให้แก่มานดาญาติพี่น้องมิตรสหายของเจ้าหรือไม่ ท่านสมณนะทำให้ข้าพเจ้าต้องคิดหนะักดูก่อนกุมารจาคงเริ่มเห็นแล้วว่าความตายของเจ้านั้นถึงแม้จะนำความสุขมาสู่เจ้าแต่มันน่าจะนำความสูญเสียและความทุกข์มาหันมาสู่บิดามารดาของเจ้าทำไมท่านสมณนะเพราะเจ้าเป็นลูกชายคนเดียวของท่านท่านรักและหวงแหนเจ้าดุดชีวิตหวังจะให้เจ้าเป็นผู้ครอบครองสมบัติ เป็นผู้ดำรงวงตระกูลสืบไปแต่ถ้าเจ้ามาตายเสียท่านจะเป็นทุกข์เพียงใดขอให้เจ้าพิจารณาดูให้ดีเอาละอาตมาขอถามต่ออีกหน่อยว่าเจ้ารักปีดามาดาของเจ้าไหมรักถ้าเจ้ารักเจ้าก็ควรจะตอบสนองขุนท่านตอบสนองด้วยวิธีใดทาให้ท่านมีความสุขี่เจ้าบอกว่ารักท่าน แต่กลับมาทําให้ท่านได้รับทุกจะเชื่อได้ยังไงว่าเจ้ารักท่านอย่างแท้จริงออท่านสมณะขาปเจ้าใครขอถามทักอย่างนะถามมาได้เลยกุมารถามไม่ใช่วิธีตายจะมีวิธีอื่นอีกหรือไม่ที่จะทําให้ข้าปเจ้าพ้นจากความทุกข์ทรมานครั้งนี้มีอย่างแน่นอนกุมารวิธีไหนอ่ะท่านสมนะอัตมากําลังจะนําเข้าสู่วิธีนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวนี้บอกมาเถ อ, ขอะขาปเจ้ากําลังคอยรับฟัง ก่อนอื่นอาตมาอยากให้เจ้ายืนยันสัก่อนว่าเจ้าจะไม่หนีทุกโดยวิธีฆ่าตัวตายวิธีอื่นมีแน่นะสมณนะแน่สิกุมารอาตมารับรองเจ้าจะพ้นทุกแน่แน่ถ้าย่างนั้นข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าจะไม่ใช้วิธีตายหนีทุกโอ้ลูกพ่อ ดีใจเหลือเกินที่เจ้ากลับใจได้ท่านสมณะก็พเจ้าขอกราบท่าน้วยความเคารพอย่างจริงใจท่านเป็นเทพเจ้ามาโปรดโดยแท้ก็พเจ้าต้องขอขอบคุณท่านอย่างสูงเออเมียจ๋ามาทางนี้หน่อยเร้วอะไรพี่ท่านอเอะโวยวายมีอะไรเกิดขึ้นลูกเราเป็นอะไรไปเหรอลูกไม่ได้เป็นอะไรหรอก ใครอยากบอกข่าวดีให้รู้ข่าวดีอะไรดูท่าทางท่านตื่นเต้นนะอ๋อแน่เลยสิใครบังจะไม่ตื่นเต้นเมื่อรู้ข่าวดีถือเจ้าก็เถอะต้องตื่นเต้นนแนเลยนี่เจ้ารู้ไหมท่านสมรรณพูดเกลียกลอมจนลูกเรานะี่ยเปลี่ยนใจไม่ค่าตัวตายแล้วทิงเหลอเนี่ยโอ้โลูกแม่แม่ดีใจเหลือเกินที่ลูกเปลี่ยนใจไปลูกไปอาบน้ําชําระร่างกายให้สะอาด แล้วจะได้มากินข้าวปลาลูกไม่ได้อาบน้ํากินข้าวมาหลายวันแล้วอย่เพิ่งเลยแม่ท่านข้าพเจ้าสนทนากับท่านสมณะยังไม่จบเรื่องไว้ให้เสร็จสิ้นซะก่อนเถอะแล้วข้าพเจ้าจะไปอาบน้ํากินข้าวตามที่แม่ท่านต้องการไม่เป็นไรกุมารจะไปทําตามที่แม่ของเจ้าต้องการก่อนก็ได้เรียบร้อยแล้วค่อยคุยเรื่องนี้กันใหม่ไปเถอะกุมารข้าพเจ้าไปได้แล้วใช่ไหมท่านสมณะได้ไปเถอะ Oh, oh, oh.